ครับหลวงพ่อครับผมอยากจะส่งการบ้านหลวงพ่อนะแต่ไม่รู้จะส่งแบบไหนดีทีนี้ก็ผมเล่าอันนี้ให้หลวงพ่อฟังดีกว่าคือผมอ่ะติดหนงังเกาหลีอยู่ใช่ไหมผมก็ดูหนงังเกาหลีมันก็มีพระเอกนางเอกกันฮะตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดูตัวร้ายมันก็เราดูเราอินไงเราไม่ชอบมันเราก็หมุดหงิดนะฮะดูไปดูมาสักพักหนึ่งปุ๊บผมก็ได้สติว่าแบบเฮ้ยนี่กําลังอยู่ในห้องนะแล้วแบบเหมือนกําลังคิด ปรงแต่งไม่ชอบมันอะคือเหมือนตอนแรกที่ดูเหมือนไหลไปอยู่ในจอเลยครับผมเหมือนไหลเข้าไปอยู่ในจอไปแสดงกับมันเลยแล้วสักพักหนึ่งก็เออนเราอยู่ในห้องแล้วแบบเหมือนแบบไปไปอินไปปรุงแต่งตามันเหมือนเหมือนหลงไปอ่ะพอพอเหมือนตอนนั้นจัหวะนั้นผมผมใช้คว่าผมมีสตินะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนแบบเออมันก็ปรุงแต่งแล้วมันก็อารมณ์มันมันก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็เลยถามหลวงพ่อว่าไอ้อย่างนี้นี่มันมันถูกแล้วใช่ไหมมันคล้ายๆเหมือนแบบ ที่ผมเข้าไปในห้องแล้วมีไอ้แดงไอ้ดำแล้วก็ผมแรกๆผมไม่มีสติผมก็ลืมตัวพอผมรู้ตัวผมก็ก็ก็มีตัวก็รู้ได้วยด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เนี่ยมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละเนี่ยที่โยมเล่าเนี่ยคือประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังแล้วมีการยกตัวอย่างแล้วมีการเข้าใจพอมีการเข้าใจระดับหนึ่งแล้วเนี่ยพอมาเนี่ยมาดูหนังอะไรต่างๆเนาะมันก็คือการดูหนังก็คือแบบโอเคแหละตามที่เคยดูเคยมีแต่จากสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยตรงเนี้ย มันก็ทำให้เกิดสติเกิดสัมปชัญญะคือระลึกได้ว่าอ๋อไอตัวเราเนี่ยเป็นผู้นั่งดูหนังอยู่แล้วก็มีความรู้สึกแต่ตรงที่มันเกิดสติสติที่มันมาเร็วมากนะมันก็เห็นอาการที่ที่ยมเล่าเนี่ยพอมันเห็นปั๊บเนี่ยมันก็ตัดมันตัดไอ้ตรงนู่นออกไงตัดการรับรู้ภายนอกใช่ไหมเพราะว่ามันมารู้ตัวเราแล้วนี่มันก็เลยตัดการรับรู้ อทีทีทีวีเนี่ยมันไปตัดตรงนู้นพอตัดตรงนู้นปั๊บเหตุที่จะให้เกิดความรู้สึกมันก็ถูกตัดไปด้วยอาการนั้นจึงดับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้การรู้ตัวเนี่ยมันจะทําให้ไปตัดตัดอะไรเราตัดการรับรู้อื่นๆที่เคยมีอยู่ก่อนหน้านั้นนึกออกใช่ไหมมันไปตัดไงเพราะว่าโยมรู้สึกตัวมารู้ที่ตัวมันก็ตัดการรับรู้ทางโน้นเออมันแค่ขนาดจิตเดียวขนาจิตเดียวที่มันตัดเนี่ยมันก็ตัดเหตุเหตุ แห่งความคิดปรุงแต่งเหตุอะไรต่างๆความรู้สึกแคนิดนั้นมันก็เลยดับหายไปครับแล้วแล้วยังงนี่มันต้องต้องแบบฝึกอย่างไงต่อครับขอคำชี้แนะก็คืคคอฝึกเหมือนเดิมฝึกรู้ตัวเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมใช่เหมือนอเดิมเพราะว่าการฝึกรู้ตัวเนี่ยพ่อทุกครั้งที่ขณะรู้ตัวที่หลวงพ่อเคยบอกว่าขณะใดที่มรู้ตัวเนี่ยพ้นทุกทุกครั้งไปแล้วก็ให้ฝึกอย่างเดิมเพื่อให้มันเกิดการรู้ตัวถี่มากขึ้นมันก็ตัดยิ่งมันรู้ตัวมากเท่าไหร่นะมันก็ตัดข้างนอกมากเท่านั้นอืม แต่การรู้ตัวก็ไม่ใช่ว่าแหมไม่ยอมรับรู้สิ่งข้างนอกเลยมาตรึงเพ่งอยู่ข้างในอันนี้ก็ไม่ถูกให้เป็นธรรมชาติอย่างที่เราอยู่ในชีวิตประจําวันแต่ให้มันพึงระลึกได้ถึงว่าเออมีตัวเราเห็นตัวเราอยู่เออให้มันเนืองเนืองแต่ไม่ถึงกับว่าบังคับอะไรนะคือตรงเนี้ยมันต้องไปปรับเองเพราะบางคนเนี่ยพอบอกว่าอย่าไปรับรู้ข้างนอกนะกลายเป็นว่าปิดหูปิดตาหมดเลยไม่รับรู้ข้างนอกแล้วก็มาเพ่งมาเพ่งกายก็ได้มาเพ่งจิตก็ได้อันเนี้ยมันก็ไม่ถูก ก็คือเหมือนกับว่าให้รู้บางๆให้รู้เบาๆรู้เล่นๆอ่ะเหมือนกับที่หลวงพ่อยกตัวอย่างไงแหละเข้าห้องก็หัดเล่นถอยเข้าถอยออกแล้วก็พอสักพักเราก็ก็เลิกเห็นไหมก็เลิกเลิกเลิกทําอย่างนี้แล้วก็พอวันนั้นก็วันไหนที่นั่นนก็มาเล่นเล่นอีกอย่างเงี้ยให้มันเกิดความเคยชินในการที่จะรู้ตัวหลวงพ่อยกตัวอย่างประกอบที่มันคล้ายๆกันนะเช่นวันก่อนเราเคยพูดละมังส้มสมมติว่าเราเราทุกข์มากแล้วเราเนี่ยเป็นคนทุกข์แล้วเมือใจลอยนะ เดินก็ใจลอยนั่งก็ใจลอยตอนนั้นแหละมันอินเข้าไปแล้วแต่มันไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์ทีนี้หลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยถ้าระวังใจลอยแบบนี้ระวังเดินนะที่หลวงพ่อบอกว่าเหยียบเปลือกกุ้ยอะ่ะแล้วก็โยมหน่วยนุยก็บอกว่าเออปอกผลไม้แล้วผลไม้หลุดมือเงี้ยมันคล้ายๆกันก็คือว่าขณะที่ใจลอยนะใจลอยเหม่อเพ้อเพลินกลังมีทุกข์แต่พอมัน เอ่อเหยือเปลือกกล้วยแล้วมันลื่นใช่ไหมพอมันลื่นเสร็จเหมือนกับว่าร่างกายมันสะเทือนไงมันเคลื่อนไปไอ้ตรงเนี้ยการรับรู้หมายถึงว่าธรรมชาติรู้เนี่ยมันมารู้ที่ที่กายเคลื่อนไหวอ่าเลยมันตัดมันตัดความคิดมันตัดความทุกข์คือมันวางหมดเลยมันวางโดยแบบไม่มีผู้วางอ่ะนะเออมันมันวางแบบธรรมชาติอ่ะคือไอ้ที่คิดใจลอยมันก็ขาดลงอ่าแล้วก็ไอ้ที่มีทุกข์ระหว่างคิด เออมันก็ดับลงที่มันดับเพราะอะไรเพราะว่ามันเปลี่ยนมารู้กายที่กําลังเคลื่อนไหวในปัจจุบันเลยตรงนู้นมันก็ถูกก็เรียกว่าถูกการรับรู้อ่ะคือมันตัดปิดสวิตต์อ่ะก็เลยทําให้พ้นทุกข์หรือว่าพ้นการเมื่อยลอยเป็นการตื่นรู้ขึ้นมาในขณะจิตที่กําลังมีเหตุการณ์อย่างเนี้ยอันนี้นี่คือเหตุทําไมว่าเออมันพ้นทุกข์ได้ก็คือมันกลับมารู้ตัวทั้งนั้นแหละถึงจะพ้นทุกข์อ่ะ แล้วก็ทุกคนนะมีประสบการณ์หมดหลาเรื่องเหล่านี้ยการที่มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแบบแบบฉับพลันแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะพวกเนี้ยมันจะกลับมารู้ตัวหมดเลยแล้วก็ไอ้สิ่งอื่นๆก่อนหนะ้านั้นเนี่ยมันมันวางหมดเลยวางแบบไม่มีผู้วางอะ่ะพอเข้าใจได้เนาะตรงเนี้ยวางแบบมันเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นไงอืับครับหลวงพ่อก็คือตอนตอนที่อยู่ในห้องตอนที่บอกหลวงพ่อว่าวารู้ตัวนะฮะว่าอยู่ในห้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ดีใจนะฮะทีนี้เสร็จแล้วมันมีภาคสองอยู่คือว่าพอจบละ ก็ตอนเย็นแล้วก็ไปนั่งหน้าบ้านคราวนี้หนังจบคนไม่จบก็ยังไปคิดถึงเรื่องไอ้ตัวร้ายมันก็แอบเข้ามาอีกอะฮะแรกๆก็เอะไม่เป็นไรมันขึ้นมาเองก็คุมไม่ได้ก็ดูๆมันไปอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งเอ๊ะมันมันยังคิดต่อไม่จบอย่างเงี้ยมันก็เริ่มก็เริ่มหงุดหงิดเลยฮะทีนี้มันก็เลยเกิดพยายามก็พยายามแบบเหมือนตอนนั้นอาจจะเพ่งมั้งผมว่าแต่มันก็มีความคิดนึงขึ้นมาในหัวแบบว่าคือเหมือนนั้นเป็นเรื่องของไอ้ตัวร้ายในละครไงคือผมมัคนควรจะต้องแบบว่า สนใจแค่ตัวผมเองอะผมก็เลยคุยกับตัวเองขำๆว่าเออเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เหมือนเรากลายเป็นคนถึงแก่ตัวแล้วนะคือแบบพิจารณาแต่ตัวเองอะ่ะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองอะทั้งกายใจเป็นยังไงไอ้อย่างนี้ผมคิดถูกไหมครับหลวงพ่อครับมันก็คิดในทางจะเรียกว่ามันก็คิดในทางในทางจะเรียกว่าคือตอนเนี้มันมันคิดคนละมุมแล้วแหละไอ้ตอนตอนหลังอะนะคือมันคิดในทางเหมือนกับว่าในทางเชิงเรียกว่าธรรมะก็ได้อ่ะเนาะเอ่อมันก็คิดในในเรื่องพวกนี้ แต่ความคิดนี้ก็คือแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็ให้มองว่าไอ้ความคิดเนี้ยจริงๆมันก็เป็นสังขารปรุงแต่งนะมันไม่ใช่เราคิดเนาะอืมแล้วความรู้สึกอันนั้นอะที่มันเกิดขึ้นเน่ยมันก็เป็นความรู้สึกแม้กระทั่งความชังความเกลียดความไม่ชอบอันนั้นอะมันก็เป็นเป็นสังขารหมดเลยซึ่งทีนี้ถ้าเราเข้าใจในภาพรวมก็คือว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี้ยอ๋อมันเป็นสังขารที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนั้นแต่ปัจจุบันนี้อ่านี่มาเทียบกับปัจจุบันนี้นะ ปัจจ really so ุบันเดี๋ยวนี้ตอนนี้วินาทีเนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เนี่ยเห็นไหมไอสิ่งนั้นไม่ใช่มีอยู่จริงเลยไม่มีถูกไหมครับครับมันจบที่ที่มันยิ่งยิ่งเรากลับมารู้ในปัจจุบันเนี่ยบางทีเนี่ยมันลืมไปแล้วคือมันมันไม่ได้ระลึกนึกถึงเลยเหมือนกับว่าเรื่องที่เคยเกิดขึ้นก็คือจบไปแล้วครับครับเออเนี่ยเพราะนั้นถึงบอกว่าทําไมต้องกลับมารู้ตัวในปัจจุบันการที่กลับมารู้ตัวในปัจจุบันเนี่ยมันจะตัด มันจะตัดทั้งสัญญามันจะตัดทั้งอะไรต่างๆที่มันเคยผูกพันอะไรกับใครเนี่ยมันตัดขาดหมดเลยแหละเออเพราะฉะนั้นเพียรรู้ปัจจุบันคเห็นไหมพ อ, พอหลวงพ่อมาพูดกับปัจจุบันเนี่ยเผลอๆเนี่ ย, ย, ยพอยอมฟังแบบฟังหลวงพ่อพูดเนาะตั้งใจฟังปับ๊บโอ้มันลืมไปเลยว่าเมื่อกี้จะพูดเรื่องอะไรอะไรเงี้ยมันตัดไ ป, ไปแล้วไงอคืครับก็เป็นแบบเหมือนประสบการณ์ที่แบบว่าได้ร่ำเรียนจากหลวงพ่อมาแล้วไปฝึกปฏิบัติก็เลยเหมือนอยากจะเอาแบบ มาโม้ให้อาจารย์ฟังอะไรอย่างเงี้ยทีนี้<ม>บทสรุปก็คือมันมีภาคหนึ่งแภาคสองใช่ไหมฮะทีนี้ภาคหนึ่งเนี่ยผมสัมผัสได้เลยว่ามันคือตัวรู้จริงจรไอ้ภาคสองเนี่ยก็รู้เริ่อเป็นตัวเพ่งอย่างเงี้ยฮะทีนี้ระหว่างทุกวันที่ฝึกเนี่ยวันไหนเพ่งมากก็ก็ยาไม่เกลียดนะครับผ ม, มผมก็เลยช่วงนี้ก็เลยแบบว่าพยายามไปแบบสายชิวๆรู้บ้างก็ก็รู้ไม่รู้ก็ช่างมันเพราะว่าถ้าเพ่งมากผมปวดหัวไงผมก็เลยแบบให้มันธรรมชาติดีกว่า ตรงนี้ อ, อย่างนี้ถือว่าหย่อนไปนไหมครับหลวงพ่อครับคือตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต้องสังเกตเอาเองเนาะว่ามันตึงไปไหมมันหย่อนไปไหมเนี่ยตรงเนี้ยคนอื่นก็บอกก็ไม่ได้หรอกต้องต้องเหมือนกับว่าต้องต้องเรียนรู้ศึกษาเอาเองเอาเนาะว่าถ้าทําแบบนั้นแล้วรู้สึกว่าเออมันตึงมันมันเครียดเราก็ต้องเลิกเลิกการกระทํำหรือว่าถ้าพอไม่ทําอย่างนั้นแล้วก็มาทําตัวอีกอีกด้านหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะรู้เองว่าเฮ้ยย่อนเกินแล้วอะไรเงี่ยนะเออ มันก็จะพอรู้ด้วยตัวเจ้าของเองนั่นแหละแล้วก็เหมือนกับค่อยๆค่อยๆนั่นเอาเองแล้วทุกอย่างมันก็ไม่ตายตัวนะบางทีเนี่ยความรู้สึกว่าไอ้แบบนั้นมันพอดีแต่บางเหตุการณ์มันไม่ใช่พอดีอีกเพราะทุกอย่างมันก็ไม่แน่นอนนะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ด้วยการรู้ตัวแล้วก็สังเกตสังเกตอะไรต่างๆเนี่ยตัวสังเกตเนี่ยตัวเนี่ยตัวที่จะทําให้แบบแก้ปัญหาชีวิตได้อ่ะนะเออทีนี้กรณีที่สองเมื่อกี้ที่แล้วหลวงพ่อก็ยังไม่ได้พูดคือ ไอ้ตอนนั้นอะคือมันยังไม่รู้ตัวเราคือไอ้ตัวเราเนี่ยเหมือนกับว่าไอ้ความคิดหรือความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันคือเราเข้าไปเป็นมันอะเข้าไปเป็นครับครับมันยังไม่ตื่นรู้เหมือนกับตอนที่ดูทีวีเออครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนั้นมันก็ก็ผ่านไปแล้วอะเนาะทีนี้ปัจจุบันก็คือเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็คือรู้อยู่ว่ามีมีตัวโยมอยู่คนหนึ่งแล้วหลวงพ่อก็อยู่ตรงนู้ตรงไหนก็ไม่รู้มันคนละตัวกันโยมก็ สามารถเห็นตัวเองได้ว่าอ๋อตัวเองก็คือนัน่นแหะตัวที่กําลังนั่งคุยกับหลวงพ่อแหละเออนั่งเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหยุดประมาณอย่างเงี้ยก็พยายามฝึกครัเพราะว่ามันมันจะเป็นแบบเหมือนที่หลวงพ่อบอกประมาณว่าเหยียบกล้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนที่คุณหนุ่บอกมันมันหลุดมือคือมันก็ก็น้อยครับก็ฝึกรู้ไปเรื่อยๆครับผมงั้นขอบพระคุณมากเลยครับนะครับแล้วก็เอ่อเพิ่มเติมนะอย่างเหตุการณ์เหล่าเนี้หลวงพ่อประสบกับตัวเองหลายครั้งหลายคราวบ่อยมากเลย ไม่กระทั่งการสวดมนต์ผิดนะเวลานำทําวัดเนาะนําทำสวดมนต์ซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วแหละใจมันมันก็ต้องหลุดจากการสวดมนต์กาลังสวดหน้านี้แต่ในใจบางทีมันนึกไปข้างหน้าว่าเดี๋ยวถัดไปจุดนี้จะไปสวดบทไหนนีตอนนี้นสแสดงว่าระหว่างสวดมนต์เนี่ยมันก็ก็หนีไปคิดแล้วพอหนีไปคิดในช่วงจังหวะนี้คิดเนี่ยถ้าเราสวดมนต์แบบนั่นเนี่ยมันสวดผิดเลยนะแต่พอสวดผิดแค่นั้นแหละโยม เบิกเลยแบบโอ้โหตื่นรู้ขึ้นมาทันทีเลยฉับพันเลยนะพอผิดปั๊บรู้ปุ๊บอ่ะนะตรงเนี้ยมันให้เห็นถึงว่าการที่มันมีสติกลับมาเนี่ยกลับมาว่ากลับมารู้เนี่ยว่าเมื่อกี้สวดมนต์ผิดเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าไอความคิดก่อนที่จะสวดมนต์ผิดเนี่ยมันไปเห็นหางของมันไงเห็นเห็นท้ายขบวนว่าก่อนที่จะสวดมนต์ผิดเนี่โอ้มันหนีไปคิดเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นเห็นเห็นหางของมันเห็นหางที่มันเผลอไป แต่ตรงเนี้เชื่อเห็นว่าขณาดใดก็ตามเมื่อมันลืมตัวแล้วมันรู้เร็วแบบเนี้ยมันทําให้หลุดพ้นจากความหลงอ่าแล้วก็กลับมารู้มารู้กับปัจจุบันแต่เนื่องจากว่าไอ้รู้แบบนี้มันก็เขามันคือเรื่องสตินะสติมันก็ไม่เที่ยงเนาะเออความคิดมันก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังรู้ยังหลงอยู่แบบนี้แหละแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่มันอยู่เหนือความความไม่เที่ยงก็คือความรู้ ความรู้ที่เรียกว่าที่เราคุยกันนะความรู้ที่ไม่มีตัวไม่มีตนความรู้ที่เรียกว่าเป็นญาณรู้นะนะไอันเนี้ยรู้หมดก็หมายความว่าขณะที่รู้มันก็รู้ขณะที่เผลอมันก็รู้นะว่าเผลอคือมันรู้รอบไงรู้ของคู่ของคู่ก็คือเอเผลอก็รู้ไม่เผลอก็รู้เอเป็นรู้ที่ที่เหนือเหนือขึ้นไปเหนือที่เป็นของคู่นะพอเข้าใจได้เนาะเพราะว่าไอ้รู้เนื้อมันรู้ทุกเรื่องแหละมันรู้ทุกเรื่องมันรู้แจ้งไง เข้าใจครับคือผมก็ไม่อยากจะเล่าเรื่องที่มันผ่านมาแล้วเพราะว่าปัจจุบันขณะมันสำคัญที่สุดนะครับผมทีนี้ก็แต่แค่ว่าอยากจะส่งกันบ้านหลวงพ่อแค่นั้นเองครับก็ใช่คก็คือคุยได้แต่ว่าอย่างน้อยโอเคเราเข้าใจแล้วว่าอันนั้นนะมันเป็นอดีตเห็นไหมมันมีความรู้รแล้วว่าอ๋อไอ้นั้ น, นที่เมืูดนั้นมันเป็นอดีตการที่รู้ว่าเป็นอดีตนี่ก็คือความรู้แล้วนะอแล้วก็แล้ว ก, แวก็แล้วก็ปัจจุบันเออมันก็รู้ว่าเนี่ยเนี่ยกําลังคุยปัจจุบันมันก็รู้ เพราะนั้นรู้เนี่ยนะโอ้โหมันโคตรรู้เลยนะรู้หมดแหละแต่มันพูดไม่ได้แต่พูดได้ก็คือเนี่ยตัวเราตัวสังขารนเนี่ยเนาะก็คือพูดเอามาเล่าะปรมาณับขอบคุณครับเออดีแล้วแหละเนาะเออดีแลไวอ่างั้นหลวงพ่อพูดไปเรื่อยๆก่อนนะของนักปฏิบัติธรรมให้ยอมลองพิจารณาสังเกตตามนะแต่เมื่อเช้าก็เริ่มพูดไปนิดหนึ่งแล้วสมมุติว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในห้องเนาะตามจํานวนเนี่ยแล้วบอกหลวงพ่อก็พูดว่า และวฟังหลวงพ่อมาพอสมควรแล้วนะจากนี้ไปนะให้ต่างคนต่างปฏิบัติกันตามแนวของตนเองแล้วพ อ, พอหลวงพ่อพูดจบทุกคนก็มีการขยับและเขาเรียกว่าปฏิบัติปฏิบัตินะจริงๆริอ่ะไอการปฏิบัติไอที่ขยับขยับตรงนี้ถ้าไม่เห็นนะเท่ากับว่าพลาดไปแล้วเพราะว่าไอาตรงที่ขยับกาลังเริ่มต้นจะปฏิบัติเนี้ยตัวเนี้ยเป็นสังขารที่กาลังปรากฏ แต่ถ้าเราไม่เห็นในตัวเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติแต่ถ้าเห็นมันว่ามันมีการขยับจะปฏิบัติเนี่ยไอ้ตัวนั้นแหละจริงๆมันคือสังขารมันไม่ใช่เราอ่าพอรู้ว่าไม่ใช่เราเสร็จแล้วเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อไอ้ตัวปฏิบัตินี่เนาะมันก็คือสังขารมันก็ไม่ใช่เราแต่ส่วนมากอะ่ะมันจะพลาดจุดตรงนี้แหละไม่เห็นไอ้ต้นไอ้ที่มันเริ่มต้นจะปฏิบัติอะ่ะคือไม่เห็น แต่ถ้าเห็นเมื่อไรเห็นสักครั้งพอมันจะขยับเป็นนักปฏิบัติมันก็ถูกเห็นขึ้นมาทันทีเลยว่าเอ้ยสังขารกําลังพรุงแต่งแล้วกําลังจัดแข้งจัดขากําลังปิดตาแป๊บกาลังปิดตาแล้วเอามือขวาทับมือซ้ายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเห็นเป็นปัจจุบันอย่างเนี้ยแล้วก็จะรู้เลยว่าอ๋ออันนี้มันสังขารนี่วะอ๋อมันเป็นสังขารก็เลยจะรู้เลยว่าพอรู้ว่าเป็นสังขาร น, นะมันก็จะเข้าใจเลยว่าไม่ใช่เราเป็นผู้ปฏิบัติ แต่สังขารมันกำลังมันกาลังกระดุกกระดิกมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่เห็นไหมมันจะเข้าใจถูกตั้งแต่ตอนตอน้นตรงนี้แหละเป็นจุดที่หลวงพ่อมาพบในภายหลังว่าทำไมเรื่องเนี้ครูบาอาจารย์ไม่บอกหรือท่านบอกแล้วแต่เราไม่เข้าใจก็ทำให้มันหลงมานานหลงว่าคือมันไม่รู้เลยอ่ะคือพอมันไม่รู้เสร็จแล้วก็กลายว่าเราเนี่ยเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วเวลาไปเดินจงกรมเราก็ไปเดินทุกทีเลย แล้วเวลาไปนั่งยกมือสิบสี่จังหวะเรานี่แหละเป็นผู้ยกมือทุกทีเลยก็เพราะว่าเราไม่เห็นว่ามันเป็นสังขารพอมาจุดนี้หลวงพ่อรู้ขึ้นมาหลวงพ่อก็เลยต้องรีบบอกให้กับญาติโยมรีบบอกเลยบอกว่าเนี่ยนะจะทําอะไรนะไม่กระทั่งเรื่องการปฏิบัติเนี่ยให้เริ่มรู้เลยตรงที่มันขยับจะปจะปฏิบัติอะจะจงใจจะเจตนาเนี่ยให้รู้ตรงนี้ไว้ก่อนเลยว่าหอมันเป็นสังคารแล้วเมื่อจับทางตรงนี้รู้ได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเข ก, ก็รู้อีกว่า ยมอองลองนึกภาพนะเวลายมปฏิบัติทำสมาธิยมทํายังไงอ่ะก็ใหเห็นว่าเนี่ยมันกําลังกําลังเอเก็บเกาเรียกว่ากําลังนั่งนะสมมติว่ากําลังนั่งขัดสมาธิอยู่หรือกําลังนั่งท่าไหนก็อยู่ก็เห็นเลยว่ามันกําลังเคลื่อนไหวแหลอพอ พ, พอมันนัง่งพอเห็นเคลื่อนนี้เคลื่อนนี้เขาเรียกว่าอาจจะเห็นกายก็ได้เนะแต่ไม่ต้องเห็นด้วยตาหรอกเพราะมันรู้ได้อยู่แล้วแหละ อ, อืแล้วก็เห็นมันพอเห็นเสร็จแล้วมันก็จะมีอะไรอีกต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะโดยเฉพาะเรื่องกายเนาะ เช่นพอจัดเข้าที่เสร็จแล้วมันก็นั่งตัวตรงก็รู้แล้วก็มันนั่งตัวตัวแข็งตัวทื่ออย่างไงมันก็จะรู้ที่เพราะว่าตอนนี้มันมีสติรู้อยู่แล้วก็ต่องาปิดตาปริ้มก็เห็นมันปิดตาเนาะพอปิดตาเสร็จแล้วมันก็นั่งก็เห็นตัวเราทั้งตัวทีเนี้ยเห็นตัวเราทั้งตัวกําลังนั่งอยู่แล้วก็เห็นเบาๆบางๆอย่างนี้แหละเห็นตัวเราทั้งตัวแล้วก็เห็นไปพอเห็นไปปั๊บออกบางทีอาจจะเห็นมันเกินน้ําลายกึกหนึ่งหรือบางทีมันอาจจะ คันตรงนั้นตรงนี้แล้วเอามือไปเกาอ่ะก็เห็นเนี่ยอย่างเนี้ยก็เรียกว่าจเจริญสติแบบต่อเนื่องต่อเนื่องทีนี้เรานักปฏิบัติส่วนมากมันข้ามขั้นตรงนี้ไปไงมันจะมุ่งแต่ว่าเดี๋ยวคือมันจะมุ่งว่าเดี๋ยวไอตอนจัดท่าเนี่ยคือไม่มีความรู้สึกตัวเนาะแต่มันเหมือนกับว่าเดี๋ยวนั่งให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเริ่มไงค่อยเริ่ม <laughs> แต่จริงจริงเนี่ยมันต้องรู้ตั้งแต่จุดสตาร์ทแล้วเออมันต้องรู้ตั้งแต่จุดสตาร์ทแล้วว่าเนี่ยสตาร์ทจะจะทําและจะทำและแลอะไรเงี้ย แล้วก็เบาๆนะแบบมันเป็นแบบมันง่ายๆอ่ะมันแบบมั น, มนง่ายอ่ะเนี่ยลองลองทําดูนะสิ่งที่หลวงพ่อพูดอ่ะเนี่ยตรงนี้แหละเท่ากับเป็นการอะะเอเจริญสติตั้งแต่ร่างกายมันสตาร์ทแล้วอะทีนี้เมื่อจานแล้วรู้อยู่ในต่อไปก็รู้อีกแล้วว่าเออเมื่อนั่งแล้วนะนั่งแล้วมันเป็นยังไงปิดตาอันนี้หลวงพ่อแค่ยกตัวอย่างพอปิดตาแล้วบางทีอาจจะรู้สิ่งเดียวก็ได้เช่นรู้ว่าตอนเนี้ยกําลังปิดตาอยู่ไม่ต้องไปรู้สิ่งอื่นหรอกแล้วก็รู้อยู่ว่าเนี่ยตอนนี้นั่งปิดตาอยู่ แล้วก็นั่งหายใจสบายสบายนั่งรู้ตัวเองอย่างเงี้ยเนะเออาะคือพิจารคือเราปฏิบัติเนี่ยไม่ได้หวังอะไรทั้งอย่างเดียวไม่ได้หวังเรื่องความสงบไม่ได้หวังว่าจะเป็นสมาธิแต่แค่ให้มีสติเห็นอยู่แบบเนี้ทุกอย่างเดียวมันจะมาให้รู้เองเช่นอาจจะสงบขึ้นมีความสุขขึ้นรู้สึกเงียบสงบสงัดขึ้นเห็นไหมเพราะมันเกิดจากที่เราไม่มีความอยาก เราไม่มีกิเลสเราไม่มีตัณหาอะไรมันก็เลยสงบได้เร็วแต่ถ้าลองไปทําสมาธินะมันยากเะืเราอเป็นสมาธิตักทีว่าให้สมาธิเร็วๆหน่อยไอ้ความพวกเนี้ยมันรบกวนจิตใจจนกระทําให้หาความสงบไม่ได้แต่ถ้ารู้แบบเบาๆอย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยแต่ไม่ต้องหวังความสงบนะเพียงแต่ให้รู้ว่าเออตอนเนี้ยร่างกายมันเป็นยังไงมันหายใจใหายเข้าหายใจออกหรือว่ากําลังรู้อะไรทั้งอย่างเนี่ ต่อไปมันจะรู้ทั่วรู้ทั่วถึงรู้ทั่วถึงคือรู้ทั้งกายรู้ทั้งอาการในกายรู้ทั้งจิตคิดจิตนึกรู้ถึงอารมณ์ต่างๆรู้ถึงความสงบไม่สงบบางทีอดีตผุดมาตั้งเยอะมันก็รู้อยู่เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ไอ้ตัวรู้ตัวรู้เนี่ยที่เราพัฒนาเนี่ยที่เขาบอกว่าฝึกสตคิคือให้มีให้ระลึกรู้คือให้รู้เพราะนั้นเวลาเราฝึกเนี่ยคือฝึกให้มีตัวรู้แต่อาศัยอาศัยอย่างอื่นเป็นตัวล่อ อาศัยกายเป็นตัวล่อเพื่อให้เกิดการรู้อาศัยจิตเป็นตัว uh ล่อเพื่อให้เกิดการรู้อาศัยเวทนาเป็นตัวล่อเพื่อให้เกิดการรู้นะอาศัยความเกิดความดับเพื่อให้เกิดตัวรู้เพราะไอ้ตัวที่มันพ้นทุกเนี่ยคือตัวรู้นี่แหละมันพ้นทุกแต่อย่างอื่นเนี่ยมันมันมันเป็นแค่เกิดดับเออแต่ตัวรู้เนี่ยต่อไปมันจะพัฒนามาเป็นตัวที่รู้แจ้งในทุกข์ แต่ตัวรู้ไม่มีทุกข์ได้แต่รู้ได้แต่รู้ได้แต่รู้เออเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาตัวรู้นี่นะไม่ใช่ว่าพัฒนาเพื่อจะจะเอาความสงบความสบายโออย่างนั้นมันมันไม่บรรลุในชาตินี้แล้วเนื่องช้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายไม่สบายก็แค่รู้แค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ได้เอาไม่ได้ยึดไม่ได้ถืออะไรเหมือนกับว่ารู้ปล่อยอ่ะรู้แล้ววางรู้แล้วทิ้งอ่ะรู้แล้วทิ้งอ่ะเออเห็นแล้วทิ้งรู้แล้วทิ้งแต่การทิ้งนี่ไม่ใช่ว่าปรักไสนะ อุปมาอย่างนี้การทิ้งกันนะเอาสมมติว่าเราอยู่ในบ้านเนาะเป็นครอบครัวเนาะแล้วเราก็รู้จักหมดแล้วว่าคนในครอบครัวคนนั้นน่ยไม่ใช่เราหรอกทีนี้การไม่ยึดถือเนี่ยก็คือรู้ว่าเขาไม่ใช่เรานะรู้ว่าเขาไม่ใช่เราแล้วพอเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปวางเขาเพราะว่าเขาไม่ใช่เราอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องวางแต่รู้อยู่ว่าเขาไม่ใช่เราแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างนั้นแหละอยู่กันอย่างนั้นะแต่เขาก็ไม่ใช่เราทีนี้ถ้ามาเทียบกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในกายในใจก็เหมือนกันคือ รู้แล้วเห็นแล้วว่าไอสิ่งนั้นมีนะวิธีการปล่อยวางก็คือรู้แล้วเห็นแล้วแต่อาการนั้นสิ่งนั้นที่ปรากฏขึ้นมันก็ไม่ใช่เราอ่ะมันก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องไปผลักไสไม่ต้องไปทําอะไรอะไรเลยให้มันมีอยู่ก็มีอยู่ของมันอย่างนั้นแหละแต่ก็รู้จักดีแล้วว่ามันไม่ใช่เรานี่แต่มันก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็เกิดดับเกิดดับก็ปฏิบัติธรรมก็คือเนี่ยคืออย่างเนี้ยไม่ง่ายแบบนี้เรียนซ้ําๆๆๆๆๆ <c oughs> ค่ะมีคําถามนะคะถามว่าเออเออระหว่างการปล่อยวางค่ะกับการหลวนละอัตราตัวเองอะค่ะมีความต่างกันยังไงค่ะการปล่อยวางนะมันมีก็คือมีตัวเราเป็นผู้ปล่อยวางก็มีนะนักปฏิบัติเนี่ยถึงไม่ใช่นักปฏิบัติก็มีเหมือนกันนะคือ มันมีอัตตามีตัวตนคือมีเราแต่เราเนี่ยไปปล่อยวางสิ่งอื่นๆซึ่งซึ่งมันไม่ใช่เราเช่นมีสิ่งสมมติว่าเรานะเราเนี่ยมีเงินมีเงินแล้วก็เราก็ทําบุญนะทำบุญคือให้เป็นทานไปอันเนี้ยถ้าเกับว่าปล่อยแล้วก็วางแล้วไม่เอาไม่เรียกคืนไม่เรียกร้องกลับไม่อะไรคือขาดไปเลยให้ขาดไปเลยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าปล่อยคือเราอะเป็นผู้ปล่อยสิ่งนั้น หรือปล่อยปลาเออปล่อยปลาก็ชัดดีนะมันมีตัวเราใช่ไหมมีตัวเราแล้วก็มีปลาเราก็เอาปลาไปปล่อยในในคลองในหนองในแม่น้ำนะพอปล่อยแล้วก็คือปล่อยเลยแต่อย่างนี้เขาเรียกว่าเราปล่อยแต่ถ้าให้ละเอียดกว่านั้นคือจะต้องปล่อยตัวเราต้องปล่อยตัวเราต้องวางตัวเราวิธีปล่อยกับวิธีวางตัวเราคือทํำยังไงก็เห็นตัวเราที่เราคุยกันสองสามวันเนี้ย ให้รู้ตัวเราให้เห็นตัวเราถ้ามันเห็นจริงๆเห็นถูกต้องจริง Pentagon ๆน่ะปล่อยไปเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรไอ้ตัวที่เห็นตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นธรรมชาติซึ่งไม่มีตัวแต่ตัวเราก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะทีนี้พอเป็นอีกสิ่งหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวที่มารู้ตัวเราเนี่ยมันรู้ชัดว่าไอ้ตัวเราเนี่ยไม่ใช่มันมันจึงมันไม่เอาเราไงมันไม่เอาเราคือ มันก็แค่รู้เราแต่มันไม่ได้ยึดถือเรามันก็การไม่ยึดถือเท่ากับว่าปล่อยไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นที่ถามมามันก็มีสองกรณีนะคือเราปล่อยกับมันปล่อยเราถ้าปล่อยเรามันก็คือจบกันแต่ถ้าไม่ปล่อยเรามันก็ยังเป็นตัวเราไอ้ตัวเรานี่แหละเขาเรียกว่ายังเป็นอัตตาอยู่แต่ถ้าปล่อยอัตตาปล่อยอัตตาก็คือว่ารู้ว่า อัตตาตัวเนี้จริงๆอ่ะมันคือสังขารมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นอนัตตาถ้ารู้ถูกต้องเมื่อไหร่แล้วว่ามันเป็นอนัตตานั่นแหละถ้ากล่ว่าปล่อยเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าไม่เข้าใจให้ถามเพิ่มเนาะนนค่ะค่ะมีอีกคาถามหนึ่งค่ะเอ่อในการปฏิบัติค่ะมีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องนั่งสมาธิ ถ้าเราทำโดยทั่วไปเออใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันได้หรือไม่ในการทำสมาธิกับการทำงานโดยปกติถ้าเข้าใจเรื่องสังขารนะเข้าใจเรื่องสังขารแล้วก็เข้าใจเรื่องของการเจริญสติต่อเนื่องนะที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ว่าจะเดินจะนั่งจะนอนจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรจะกินข้าวจะจะแปรงควันจะซักผ้า หรือว่าในชีวิตประจําวันที่มันมีความโกรธบ้างโมโหบ้างหงุดหงิดบ้างสบายใจบ้างอะไรกันแล้วแต่เพียงเห็นมันอยู่รู้มันอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าฝึกสติแล้วเรียกว่าปฏิบัติแล้วแล้วก็ถ้าฝึกแบบนี้นะมันก็จะทําให้เกิดเกิดศีลเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญานะเพราะฉะนั้นการที่จะให้มีสติแล้วก็เกิดศีลเกิดสมาธิเกปัญญาเนี่ยแสดงว่าอยู่ได้ในทุกอิริยาบถ ไม่จำกัดสถานที่ไม่จำกัดขอบเขตอยู่ที่ไหนก็จเจริญได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ถามว่าจะไปนั่งอย่างเดียวไปทาสมาธิอันนั้นเนี่ยมันก็โอเคก็ได้แต่ถ้ามองกันว่าถ้าเราจะทำสมาธิเนี่ยมันทำได้ในทุกอิริยาบถและก็ไม่จำกัดการนะเพรา ะ, ะนั้นถามว่าจำเป็นไหมหลวงพ่อก็มองว่ามันอยู่ที่ว่าเออเรารู้ตัวเป็นไหมะ ถ้าทำสามาธิแต่รู้ตัวไม่เป็นมัน ก, ก็ได้แต่รูปแบบเฉยๆเนาะหรือว่าถ้าถ้ารู้ตัวเป็นแม้ว่าจะไม่ได้ไปนั่งแต่ว่าทุกอิริยาบถ ท, ทุกสถานที่ทำเป็นก็สามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็โอกาสนะเขาเรียกว่าถ้าพูดถึงเรื่องเวลาเนี่ยการที่ปฏิบัติได้ทุกขนทุกแ่งเนี่ยอย่างเนี้ยมันต่อเนื่องเขาเรียกว่าชั่วโมงการฝึกปฏิบัติเนี่ยมากกว่าแค่นั่งสามาธิ พราการนั่งสมาธิบางทีก็นั่งสองชั่วโมงก็หหไม่ไหวแล้วแต่ถ้าปฏิบัติได้ไม่จํากัดการนะทุกขนทุกแห่งในวันหนึ่งปฏิบัติได้ตั้งก็เรียกว่าตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยอะ่ะอืมเพราะนั้นถามว่าจําเป็นไหมเรามองบางทีก็คิดว่าคงคงไม่จําเป็นนะถ้าถ้ารู้ตัวเป็นถ้าฝึกถ้ามีความเพียรอย่างที่หลวงพ่อว่าค่ะอีกคําถามนึงนะคะถ้าเดี๋ย ว, ย ว, ยวนิดหนึ่งเนาะจริงจรเนาะพอถามเสร็จแล้วเนาะมันไม่มีเออ อะไรนะการตอบกลับหลวงพ่อก็ไม่รู้ว่าเขาฟังเข้าใจไหมยังไงนะคะถ้าถ้ า, ถายัางไงสงสัยยังไงรบกวนตอบมาด้วยนะคะส่วนใหญ่จะตอบสาธุค่ะนี่ค่ะเออาสาธุสาแสดงว่าพอเข้าใจค่ะ ค, ค่ะเ อ, อ่ออีกคำถามหนึ่งค่ะเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นค่ะหลวงพ่อจะมีอุบายในการระ ง, งับความโกรธได้อย่างไรบ้างค่ะก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องสติอีกกันแหละ การที่เรามีสติอยู่กับปัจจุบันนะก็หมายความที่หลวงพ่อบอกว่าอะไรที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะทางกายก็ดีนะทางจิตใจก็ดีเมื่อมันปรากฏแล้วปฏิบัติแล้วก็เมื่อปฏิบัติมากๆเนี่ยมันก็จะเห็นทั้งความจริงเห็นทั้งสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วดับไปความโกรธก็เป็นแค่สังขารที่มันมีเหตุให้โกรธมันก็ต้องโกรธ เพราะนั้นเมื่อโกรธแล้วก็คือรู้ว่าโกรธแล้วแต่ก็หมายความว่าถ้ามีสตินะก็คือว่ามันก็ได้แค่รู้ว่าโกรธมันจะยับยัง้งคือตัวสติเนี่ยมันจะไปยับยั้งทางกายทางวาจาคือไม่ให้มีการพูดโต้อตอบชนิดที่ทำให้เพิ่มเชื้อการโกรธมันก็คือรู้ว่าโกรธแต่ว่ามันจะมีสติรู้เท่าทันในเรื่องของกายวาจาก็คือว่าอ้ารู้แล้วแต่ปากเนี่ยคือไม่พูดไปต่อยอดต่ออะไรกันอีกเนาะ ความโกรธเดี๋ยวมันก็ซาลงเ อ, อ่มันก็ดับไปเพราะว่าไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เพิ่มเชื้อให้มันเรียกว่าอา้าวหยุดการพูดหยุดการกระทำเสี้ให้รู้ภายในว่ามันโกรธแล้วความโกรธมันก็เป็นสังขารแล้วมันก็ดับไปนะแต่สิ่งที่เพียรให้มากก็คือว่าให้รู้ตัวปัจจุบันเนืองเนืองเรื่อยๆ อ, อย่างตอนเนี้ยโกรธก็ไม่มีก็รู้ว่าไม่มีโกรธแล้วก็อย่าได้กังวลกังวลใจว่าทําไมเราปฏิบัติทำตั้งนานแล้วยังมีโกรธอยู่หารู้ไม่ว่าความจริงปัจจุบันไม่ได้มีหรอก แต่ว่ามันพยายาสัญญาว่าเป็นคนยังมีโกรธเพราะฉะนั้นรู้ปัจจุบันมากๆากมาก ม, ากมากแล้วมันจะแก้ปัญหาได้เองทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตอ่าทีนี้หลวงพ่อชี้จุดที่มันเป็นจุดจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทนะตรงนี้สําคัญมากอย่างเรื่องการถามนี่นะเรื่องการถามเนี่ยโยมลองพิจารุดูดีๆนะว่าจริงๆอ่ะก่อนจะถามเนี่ยก่อนจะเขียนหรือก่อนจะพิมพ์ข้อความมาเนาะ มันสตาร์ทมาตั้งแต่ตอนเริ่มคิดแล้วอะนะคิดในะตอนคิดเนะี่ยยังไม่ยังไม่ยัง ไ, ยงไม่ได้เป็นประโยคยังไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะแต่มันสตาร์ทแล้วมันเริ่มแล้วแต่เนื่องจากว่าไม่ทันเห็นมันเนาะจนกระทั่งว่ามันเป็นหัวกระบวนแล้วก็มีมีตู้ต่อเนื่องมาแล้วยาวแล้วยาวเสร็จมันก็มาเขียนพิมพ์ๆๆๆ แต่จริงอะจุดจสตาร์ทมันมันก่อนหน้านี้เนาะแต่ไม่เห็นแล้วก็ขณะที่พิมพ์ก็ยังไม่เห็นอีกนะว่าตอนเนี้ยมันกําลังเคลื่อนไหวอยู่กําลังอะไรเนาะอืมแล้วพอพิมพ์เสร็จแล้วก็ยังไม่รู้อีกนะว่าตอนเนี้ยอะไรเกิดขึ้นอีกก็เลยโอ้โหจากหัวขบวนก็มีตู้ไม่รู้กี่ตู้แล้วเนาะจนมาถึงหลวงพ่อเลยหัวมันลากมาถึงนี่ก็ยาวเหยียดทีนี้ถ้าเราฝึกนะสมว่าเราฝึกรู้เนาะรู้มันทันตรงไหนก็รู้ตรงนั้นแล้วก็ รับรู้ว่ามันมันอะไรมันเริ่มสตาร์ทอีกแล้วก็จะเห็นการสตาร์ทแล้วก็คําว่าสตาร์ทนี่คือจุดเริ่มต้นที่มันเกิดอนะนะเออความหมายมันจุดเริ่มต้นที่มันมันเกิดทีนี้ถ้าเห็นตรงนั้นทันเนี่ยมันก็จะจะดับไปแต่ถ้าเห็นไม่ทันเนี่ยมันก็จะปรุงคิดต่อมาเป็นเรื่อยเื่อยเรื่อยเเป็นตู้รถไฟที่ยาวนั่นแหละเออทีนี้ถ้าเราเราจะศึกษาเรียนรู้แบบเนี้เอาสมมุติว่าพอมันมันคิดเห็นแล้วคิดมันอยากจะถามก็เห็นแล้วมันอยากจะถาม แล้วก็นั่งฟังไปเรื่อยๆเอามาคิดใหมเเ่มเองแล้วอยากจะถามอีกแล้วมีข้อ ส, สองสัยอีกแล้วแล้วก็รู้มันรู้มันนะอย่าเพิ่งตอบสนองอย่าเพิ่งทําอะไรมันเรียนรู้แบบนี้ไปเรื่อย ๆ, ๆการทีม่มันคิดหรืออะไรต่างๆแล้วรู้มันแล้วเราไม่ทําตามเนี่ยตรงนี้มันจะทําให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นพอจิตที่ตั้งมั่นเสร็จก็หมายถึงว่าความคิดก็คิดไปแต่จิตเนี่ยหมายถึงว่าจิตรู้จิตที่ตั้งมั่นนี่เนาะสติเนี่ยมันมีกําลังมากขึ้นแล้วก็มันไม่ไหลตาม มันไม่ไหลตามหมายความว่าจะคิดแต่ก็ไม่ทําตามมันจะพูดแต่ก็ไม่ทําตามไอ้ตรงเนี้มันจะสร้างกําลังสร้างพลังของของสมาธิให้ตั้งมั่นพอเป็นสมาธิตั้งมั่นเลยยิ่งมันตั้งมั่นตั้งมั่นมากเท่าไหร่มันก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ดับไปได้อย่างชัดเจนขึ้นยิ่งมันตั้งมั่นมากๆมันก็จะรอบรู้ในก็เรียกว่ารอบรู้ในสังขารที่กําลังสตาร์ทกำลังกําลังเกิดอ่ะ แล้วก็จึงเห็นแต่ว่าโอ้มันมีแต่การเกิดมีแต่การดับมีแต่การเกิดมีแต่การดับแต่ไม่มีผู้ใดไปทำตามที่ที่มันคิดหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะเห็นแจ้งเห็นแจ้งตรงนี้ถ้าฝึกได้เนี่ยมันจะมันจะแจ้งมากเลยอะแล้วมันจะเข้าใจเรื่องของสมาธิที่ตั้งมั่นมันจะเข้าใจเรื่องของสติที่เขาบอกว่าเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้และมันก็จะเข้าใจถึงที่บอกว่าไม่ไหลตามคิดอะไรก็ไม่ไหลตามก็เหมือนกับว่า เรายืนบนฝั่งเนาะเห็นผักตบเห็นอะไรที่มันลอยมาตามตามน้ําแม่น้ำํำมะเนาะเราก็ยืนบนฝั่งแต่ผักตบ ก, ก็ผ่านหน้าไปแต่เราก็ยังยืนอยู่ยืนดูอยู่ที่เดิมแล้วผักตบหมาเน่ามาก็ผ่านมาผ่านไปตัวเราก็ยังยืนอยู่ที่เดิมคือไม่ไหลไปกับมันอย่างเงี้ยเรียกตั้งมัน่นและการตั้งมั่นแบบนี้ยยิ่งมีกําลังมากเท่าไหร่นะโอ้โหมันนี่แหละ เ, เ, เขาเรียกเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสงบเป็นความสงบอย่างยิ่งเพราะอะไรที่มันสงบก็เพราะว่า มัน ไ, ม, ม, นไ ม, ม่มันไม่ไหลตามมันไม่ปรุงแต่งตามมันได้แต่รู้มันได้แต่รู้เออมันก็จึงพ้นไปจากสิ่งที่เคลื่อนไหวพ้นไปจากสิ่งที่ปรุงแต่งพ้นพ้นหมดเลยเพราะว่ามันไม่เข้าไปเป็นไงเออจึงเนี้ยที่หลวงพ่อาําเขียนบอกว่าเห็นแต่ไม่เข้าไปเป็นก็คือสิ่งนี้หรือว่าเป็นผู้ดูเหมือนดูหนงังดูละครเหน็นไหมพอมันตั้งมั่นปั๊บเนี่ยละครมาออกมากี่ตัวก็ได้แต่เห็นได้แต่เห็นเนาะละครก็ผ่านไปผ่านไปแต่ว่า ผู้ดูเนี่ยดูละครมันก็ยังยังเห็นยังอะไรเงี้ยต่ประมาณน่าจะเห็นภาพเนาะผมว่าพูดอย่างนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ที่พูดว่าเดี๋ยวใครอะไรนะให้ยกมือเนาะอย่าเพิ่งคิพอมันสตาร์ทพอมือยกปั๊บเนาะโอ๊ยมันเห็นแล้วก็ไม่ทําตามแค่แค่เห็นแค่เห็นก็มือมันชักกลับเนาะพอชักกลับเสร็จก็รู้อยู่ว่ามันชักกลับแล้วแล้วก็พอพอนั่งอยู่นั่งฟังอยู่เฉยเฉยเอ๊ะมันสตาร์ทยกมืออีกแล้วก็เห็นอีกแล้วแล้วมันชักกลับอีกแล้ว เนี่ยยังไงมันจะทำให้เกิดความตั้งมั่นตั้งมั่นตั้งมั่นเดี๋ยวต่อไปจะไม่มีคนยกเลยค่ะอรปฏิบัติได้ผลเลยยอมรับเลยฐานฐานที่ตั้งของฐานในความตั้งมั่นอ่ะนะสมาธิอ่ะนะสมาธิตั้งมั่นแข็งแก่งมากเลยแข็งแก่งค่ะอะไรนะเาเข็มที่ต่อเพื่อสร้างตึกหลายๆชั้นอ่ะนะ อแล้วไม่มีคนกล้า ย, ยกมือแล้วพอมันเริ่มสตาร์ทมันรู้ทันแล้วไงแล้วพอเริ่มจะพูดปั๊บมันสตาร์ทใช่ไหมพออัพพออัพขยับนิดอ่อรู้ทันก็เลยไม่พูดแล้วก็พอกางคิดมันคิดจะอ่อรู้ทันแล้วก็เลยไม่ถามเนี่ยตั้งมั่นจริงๆเลย